ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายธรรมธายาสสูตรในมันชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตก็ได้นำเสนอพระบุตรมรดของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงเน้นให้ภิกษุทั้งหลายเป็นธรรมธายาตคือรับมรดกธรรมจากพระองค์ อย่าได้เป็นอาภิสัตยาติและทรงเน้นย้ำถึงสามสี่ครั้งด้วยกันกล่าวโดยสรุปก็คือว่าถ้าศาสนิกเป็นอาภิสัตยาญาิ<ๆ>ก็จะถูกติเตียนทั้งปรุงเองและศาสนิกแต่ถ้าเป็นอปภิาตยาาก็ได้รับการยกย่องทั้งปรุงเองแล้วก็ คุตสาสนิกชนปิสุทังหลายนั้นต้องการอา ธ, าธิบายเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อา ธ, าธิบายก็โดยพระประสงค์ต้องการจะให้ระษาริบุตรคือเชิดชูราษาริบุตรนั่นเองแต่เหล่านั้นก็ไปกรบเรียนภาษาริบุตรในครั้งแรกนี้ยังไม่ได้ถามหรอก เพียงแต่ว่าพระสารีบุตรได้ตั้งหลักเอาไว้ว่าเมื่อาศาสดายินดีในที่สงัดแต่สาวกไม่ยินดีในที่สงัดก็มาให้ความมาอย่างไรแต่วระท่านเหล่านั้นก็อ้างว่าท่านไม่เข้าใจก็ให้พระเทระอธิบายให้วิจิตพิสดารไปหน่อย แล้วระษาดิบุก็เริ่มอธิบายว่าผู้มีอยุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายไม่ศึกษาความสงัดตามดเดชมีประมาณเท่าไหร่เมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายในธรรมใ น, นนี้ไม่ศึกษาความสงัดตาม คือไม่ละธรรมทั้งหลายที่ประสาสดาสัตย์ให้ละเป็นผู้มากๆโดยปัจจัยลาบและเป็นผู้ย่อหย่อนตกอยู่ในอำนาจของนิวรห้าทอทุระในความเสื่อผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เทระเป็นผู้อันวินยุชนพึง ต, ติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานคือ ปิสูผู้เทระทั้งหลายเป็นผู้อันบินดูชนติเตียนได้ด้วยเหตุสามที่ว่าเมื่อประศาสดาประทรับอยู่อย่างผู้สงัดสาวกไม่ศึกษาความสงัดแล้วก็ในประการที่สองก็คือปิสูผู้เถระทั้งหลายเป็นผู้อนวินดุชนติเตียนได้ด้วยเหตุสองนี้คือสาวกทั้งหลาย ไม่ละธรรม ท, ที่ทั้งหลายที่ประสาทสดาตถาเทละและพุสืบภูตเถราทั้งหลายก็จะถูกเป็นอยูชนติเตียน้วยเหตุที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มากมากด้วยปัจจัยสีเป็นผู้ย่อหย่อนตกอยู่ในอำนาจของนิวนณ์ทอดทิ้งธุระในความสงัดผู้มีอายุทั้งหลาย รสูผู้เทระเป็นผู้มรรยูชนติเตียนได้โดยเหตุสามประการเหล่านี้นี่ก็คือประเด็นแรกประเด็นแรกเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าแสดงส่งแสดงนั้นเราอาศัยทั้งพระพุทธธรรมดัตดสอนเราอาศัยทั้งพระจริยวัตร ของพระองค์แล้วอาศัยท้งการประพฤติปฏิบัติเป็นต้นแบบให้เราดูแล้วการดำรงพรชุนเป็นปกติสุขของพระองค์ตลอดถึงอาการที่สงบเย็นที่เราสามารถสัมผัสได้เมื่อเข้าใกล้พระองค์ มันก็นอขก็ามาหาหลักการในการศึกษาปฏิบัติว่าทำอย่างไงเราจะเป็นอย่างนี้บ้างก็ต้องดูตอนนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติคือพระเทรสยกการปฏิบัติขึ้นมาก่อนว่าพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแต่สาวกทั้งหลายไม่ใส่ใจ ไม่ใส่ใจที่จะถือตามปฏิบัติตามระศาดาซึ่งดูอย่างสงัดปุจจานั้นก็ครบทั้งสามประการนะฮะคือกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวเวกแต่ตอนนั้นก็ส่งอุปธิวิเวกไปแล้วคือสงัดหมดเลยเพราะภายในพระไตรของค์งปราศจากกิเลส เรามาอยู่กับศาสตาที่ปราศจากกิเลสแต่เราก็ไม่ได้ศึกษาวิธีการที่จะอย่างน้อยก็คือลดความเข้มข้นของกิเลสให้จางคลายลงไปก็หมายความว่าตกอยู่ไปในด้านของอาวิสตาญาติไม่ได้ตกอยู่ในด้านของธรรมาฏายาตเราก็ยังหมายเลยไปถึงว่า พระเหล่านั้นก็เป็นอมิสตาญาตไม่ได้เป็นธรรมทาญาตและยังหมายเลยไปถึงว่าในสุขก็จะออกนอกธรรมนอกวินัยนอกคำสอนของภะษาสดาไปเป็นการทำลายโอกาสสูญเสียโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาแต่ไม่ปฏิบัติ ก็ไม่ได้สัมผัสผลไม่มีความสามารถในการเผยแผ่แต่ใจิตใจที่จะกระตือรือร้นในการดูแลพระศาสนาก็ไม่เกิดตามมาก็ได้บ่ารวนหมดทั้งกระบวนนั่นแหละนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นต่อไปก็คือสาวกทั้งหลายในธรรมิใ น, ในนี้ ไม่สงัดตามคือไม่ละธรรมทั้งหลายประเด็นสาคัญคำว่าคำวัดสงดงเนี่ยนะคาั่าสงัดจริงๆโดยเนื้อหาสาระจริงๆก็คือสงัดจากกิเลสคือคนเราโดยวาสนาบารมีท่านโ อ, อยะมะทึงยังไงกิริออยาการจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งกระฉับกระเฉงว่องไวประดเปลี่ยวคล่องแคลาวไปหมดเลย เคยรู้จักกับพระเทาราลุปหนึ่งพบกับท่านครั้งแรกที่จังหวัดจันทบุรีที่วัดใสงามท่านก็มีเชื้อจีนเลยครับท่านพูดท่านจาปาผงผางูงฉางทำอะไรเร็วคล่องแคล่วว่องไวหมดแล้วก็พบเจอกันก็คุยกันมากบางน้อยบาง แต่ไปถึงก็คุยเรื่องยาวๆหรอกต่อมาวันหนึ่งท่านเจ้าคุณพรมพรหมนีวิชัยเนี่ยท่านบอกว่าเออท่านเจี้ยนนี่เก่งนะไปผ่าตัดท่านไม่บอกบอกว่าไม่ต้องฉีดยาหรอกผ่าเลยขอดูด้วยแล้วท่านก็ขอดูนะ ก็ผ่าไปทั้งก็เฉยไม่ไม่เดือดร้อนอะไรก็เกิดสนใจจนเจอเอพาอุ่นี้ไม่ใช่ทรบัดาต่อมาก็รู้ว่าเป็นพระที่หลวงปู่มัน่นบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นผ้าขี้ริ้วหอทองวาสนาท่านเป็นอย่างนั้นนคล้ายๆกับพระปิรินทวชะเนี่ยวัสนาท่านเป็นอย่างนั้น เพรเราเร า, เราดูข้างนอกเนี่ยเราก็นึกว่าข้ขขางในไม่สั่งเงียบจริงข้างในมันสั่งเงียพียงแต่ว่าวาัฒานาที่เป็นพฤติกรรมซึ่งออกมาทางกายกับทางวาจาเนี่ยแล้วก็เป็นไปตามวาสนาความคุ้นชินความคุ้นชินที่เราเคยเกิด อย่างภาษาริบุตรที่ว่าอยอื่นท่านก็เรียบร้อยแต่ว่าเวลาผ่านลำทานคูครองไม่กว้างเท่าไรแต่ที่ท่านจะลุยข้ามไปเนี่ยท่านไม่ลุยอะท่านกระโดดเลยกระโดดไปหยิกควังเนี่ยพิษูตทั้งหลายก็มาตำหนีติเตียนพระพุทธเจ้าอาเป็นวาสนาของเขา เราก็เคยเกิดเป็นลิงมาก่อนจะเป็นเขาอย่างนี้น่หรือว่าพระนันทาเนี่ยท่านสงบส ง, งียมเรียบร้อยกิริยามันญอดสวยงามสง่ายิ่งเดินเหินไปไหนดุดการเยื่อกรายของพยาราชสีจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินข็ท่านนีสวยหมดีุสุตหลายก็ทึ่งอศัศจรรย์มามาปราบกัน จะรับสั่งว่าเป็นวาสนาของเขาเพราะเขาเคยเกิดเป็นราชสีมาก่อนมันมีลีลาเยื่งกลายของราชสีที่อยู่ในจิตสันดานของเขาพอจิตสันดานนิราษไม่ได้ปนระวัสนา น, นิราษไม่ได้เวลาได้เฉพาะกิเลสต้นความสงัดที่หมายจริงๆนะหมายจริงๆทําไมจึงไปหมายที่ใจ เพราะเราอย่าลืมว่ากริยาการทางกายกับทางวาจาเนี่ยมันเสแสร้งได้มันมารยาเอาได้มันเจ้าเล่ห์ได้มันหลอกลวงได้มันปลอมแปลงได้ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งได้ประการวัดกับวัดทจิตบทีนี้วัดที่จิตใครจะรู้ว่าจิตเราคิดอย่งไงอ่ะก็คนนั้นแหละก็ต้องรู้เอง ว่าที่เธอพูดไปเนี่ยใจเธอสงบจริงหรือเปล่าเธอทำไปนี่ใจเธอสงบจริงหรือเปล่ า, เ, เ, เ, เ, ลาเพราะว่ากิเลสประเภทที่ว่าเนี่ยมนุษย์ส่วนดึงเนี่ยถนัดนะคับเจ้าเล่บายาหลอกลวงป้อมแปลงโอ้ปวดแข็งดีตีเสมอก็อทาไปได้สารพัดวางมาดไปได้สารพัด คือจิตคิดอย่างหนึ่งเนี่ยปากพูดอย่างหนึ่งแต่ว่ากายทำอย่างหนึ่งได้ทีนี้ของพระหันเนี่ยท่านโดยอัตโนมัติหมายความว่าจิตของท่านเนี่ยนิ่งแต่ว่ากายวาจาที่มันเป็นส่วนวาสนาเนี่ยประคุมมันไม่ได้เพราท่านลัได้ไม่ขาด พระปฏิราจึงเน้นว่าพระศาสดาสอนว่าให้ละทำที่ควรละเดี๋ยวก็เป็นละพีธีการไม่ละเมื่อมาสแสดงออกข้างนอกเป็นสงบเรียบร้อยสวยงามมันก็กลายเป็นมารยา เป็นเสแส้งเป็นโอ้อวดเป็นหลอกลวงเป็นปลอมแปลงเป็นแข่งดีพูนี้ก็อุปกิเลสนะฮนะอุปกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้มากมากในปัจเจศีมากมากในปัจเจศีอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นโวนัสายไม่รู้จะเอาไปทําอะไร คือเคยสังเกตพฤติกรรมของหมูหมูก็กินอาหารคือชาวบ้านเนี่ยก็เลี้ยงหมูปล่อยอย่ะก็อาหารไปเทในรางทีนี้หมูนี่ตัวไม่เท่ากันตัวใหญ่ก็ไปถึงก็พุ่งเขายึดเลยยึดไว้ตอนส่วนหัวแต่ว่าตอนกินในกินของเพื่อนก่อนส่วนที่โตหน้าเพื่อนก่อน แล้วก็ดันเพื่อนไปเสร็จแล้วมันก็กลับมากินของตัวเองแต่ว่ากินไปเยอะแล้วเลยก็กินไม่หมดเราก็นอนเอาคางผ้ารางังหวงอาหารไม่ยอมให้เพื่อนกินตัวเอง ก, ก็กินไม่ได้เพื่อน ก, ก็กินไม่ได้ใครไปกินไปแย่งแกแกแกกัดเรา นั้นเราเห็นว่าความโลภเนี่ยมันเป็นอันตรายคือนอกจากว่าตัวเองเารัดเอาเปรียบคนอื่นเห็นเก็บตัวแล้วก็ยังไปตัดรอนนิดรอนผลประโยชน์ที่คนอื่นวควรจะได้แต่เขาก็ไม่ได้ไเพราะไปขัดขวางนิดรอนเอาไว้เป็นผู้ยอ่ยอหยอ่ยอนคือย่อหย่อนในการปฏิบัติ ทั้งศีลสัมาที่ปัญญาเนี่ยมันหยอนหมุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าปัจใจสีที่มากเกินไปเนี่ยที่มากที่สุดคือกังวลเนี่ยคือกังวลอี่กับปัจเจศีแล้วก็ยึดติดอยู่กับปัจเจศีเหล่านั้นไม่มีการถ่ายถอนผ่อนคลายไ ม, ไม่พยายามที่จะลดละทํากิเลสให้จางไปคลายไปมันเข้าไป ก็ถามให้ท่านการบาดด้านเดิมก็หยอนแต่ซึ่งแน่นอนว่าคนเราเนี่ยทำยังไงก็ตามเราต้องไปหย่อนไปด้านหนึ่งเพราะว่าเวลาเราไม่พอจนเราจะต้องบรรยายจะต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยไปเรื่อย เพื่อได้กิจวัดประจําวันบางอย่างเช่นทํชชาวัดชาทำวัดเย็นในเราไม่ได้อยู่ในวัดอหรือมีโอกาสมาทำบางทีงานใหญ่ๆที่จะต้องไปทําก็ต้องขาดปฏิโมกที่วัดต้องไปลงปฏิโมกที่อื่นอันนั้นพอทาเมานะฮะพอทําเนาแต่าบางทีเนี่ยมันก็ขาดไปเพราะถ้ากาเราทําให้สมบูรณ์หมดทุกเรื่องเนี่ย เวลามันไม่ให้เราไม่พอถ้าไม่งานเป็นนันมากเช่นยกตัวอย่างว่า ง, งานศพเนี่ยญาติโยมถ้าไม่สนิทสนมคุ้นเคยกันจริงๆก็ไม่ไปเอ า, เ, าเวลาสวดศพเนี่ยเป็นระยะสั้นๆเป็นระยะประมาณสักสี่สิบห้านาทีอย่างมากแต่ก็ปกติก็ไม่ถึงแล้วครับประมาณสามสิบนาทีเราต้องไปให้ได้จังหวะ ถ้าไปก่อนก็ต้องคอยนานงานอื่นนี่ควรจะได้ทำก็ไม่ได้ทำถ้าไปเกินก็จบไม่ได้ร่วงานมันต้องไปพอดีทีนี้พอดีเนมันมีเงื่อนไขปัจจัยประกอบต่างๆริมถนนนี่นเยอะเลยจะไปทันหรือเปล่าไปถึงหรือเปล่ามีหลายครั้งที่ไปต้องการจะเข้าพอาศพเนี่ยไปเอสศพเนี่ก็ไปไม่ทัน ร, รถติดเกิดขบวนเกิดอะไรตร่ออะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปไม่ได้นั่นคือไปเกี่ยรกับเวลาแต่ว่าภารกิจไม่เสียถ้าเราอยู่ในที่อยู่นะฮะแต่ถ้าเราอยู่กลางถนนก็เสียเสียเวลาเสียภารกิจไปเราก็แก่ไปหลายนาทีอะ ความเป็นผู้ยอ่ยอหย่อนเนี่ยหมายความว่าความเพียรเนี่ยจะต่ําเพราะว่าความยอ่ยอหย่อนเนี่ยมันแสดงถึงการไม่มีความเพียรทีนี้ความเพียรเนี่ยเป็นมรรคบิธีที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อมีการประพฤติยอ่ยอหย่อนก็จบสิ้นกันทีนี้พอยอ่ยอหย่อนเนี่ยคือเรีกว่านั่งหนังท้อเมื่อตึงหนังลาหนังตามก็ยอ่อน ก็กลายเป็นพวกนิวรณ์หรือว่าน่นอนอา จ, จะเริ่มที่ไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ในจะเริ่มที่ที่ทนามิธาก่อนคือห่วงเหงาหางนอนซึ่งซึมง่อยเงาหดถูเคริบเคริมจืดชืดชาเย็นเหนื่ อ, อยหน่ายท้อถอยหมดอะไรตายอยากสิ่งเป็นต้นเนี่ยมันจะออกมาก่อนโดยจากนั้นนิวอนก็อื่มก็ะสือขึ้น ทีนี้บอี่ยข้อเดียวเราก็สาหัสแล้วก็ได้ข้อหนึ่งนะข้อนี้เราก็สาหัสแล้วแต่ว่ามันไม่อยู่นิ่งหรอกมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปเวียนมาเช่นสมนึกสมมติว่าเรานึกถึงสิ่งที่เราใคร่เราปรารถนาเราพอใจด้วยแรงดันของกามฉันหรือคือกิเลสสายกา ม, ามสวัสดินั่นแหละ แล้วพอถึงจะเดินไปคิดไปคิดไปเนี่ยมันจะเจอปัญหาอุปสรรคบางทีโมหะมันมากก็ไปทำลายอุปสรรคอุปสรรคนั้นถ้าเป็นคนก็อาจจะถึงฆ่ากันถ้าเป็นสิ่งของก็อาจจะค้นทำลายหรือทุบตีเตะอะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นโทษสาไป พอยังไม่บรรลุป่าวก็กลายเป็นหงุหดหงิดไปพอหงุดหงิดมากๆเข้ามันก็กลายเป็นไม่รู้จะทำอะไระกลายเป็นวิจิกิจจาไปคือสงสัยไม่รู้จะทำยังไงล่ะดีบอดมันก็ ก, กระกร่อนจิตใจของบุคคลอยู่อย่างนั้นแหละจากนั้นก็เป็นยังไงล่ะพอ ดิวอ์นครอบงํามันก็ทิ้งงานน่ะจะนั่งสปปงบอย่างเดียวก็ทิ้งงานนะบางทีนั่งตั้งใจจะภาวนาหน่อยอา้าวภาวนาไปหน่อยเดียวรับใช้แล้วก็ชักกระเยื่อกันไปชักกระเยื่อกันมาอย่างเงี้ยทอดทิ้งภาระธุระในการที่จะทําให้เกิดความสงัดขึ้น ทีนี้พอเป็นอย่างนี้มันจะถูกติเตียนะจะถูกติเตียนพระเทรสท่านเน้นไปที่พระเทระแต่จริงจริงไม่หรอกคือมายความาก็เหมือนกันนั่นแหละคือติเตียนประการแรกในกรณีที่ศาสดาประทับอยู่ในที่สงัดแต่ว่าลุศิษฐ์ไม่ทําตัวให้สงัดยังสนุกสนานยังคึกกระนอง ยังเพลิเพลินอยู่นี่คือประการแรกไม่เอาอย่างเมื่ออย่างครูมากับครูนี้ไม่เอาอย่างครูบันกรอนี่เด็กมาเล่าเรื่องผู้คนขับรถทั้งหลายเวลาแกไปกับพระเนี่ยกิจกรรมมันก็เป็นกิจกรรมเป็นที่เป็นกุศละ น, นะ แต่ว่าในเวทวงของเขาเนี่ยคนขับรถพระผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะรู้จักกันพอส่งพระเสร็จแล้วพระก็อยู่ในภาระหน้าที่ของก า, พ, าพระโปเตอรก็ตั้งวงก็เรียกอะไรนะคนก่อนเดี๋ยวไฮโลก็เล่นยังไงก็ไม่ทราบนะฮะแต่สรุบะก็ไปเล่นไฮโลกันตั้งวงเล่นไฮโลกันอาไม่มีอะไรก็โยนโยนสตางหัวหัวก้อยกัน คืพวกใกล้เกลือกินด่างน่ะใกล้เกลือกินด่างมันเป็นเวงกรรมอะไรอย่างหนึ่งเหมือนกันประเภทใกล้เกลือกินด่างเนี่ยคือบางที่คนเจริญเติบโตมาภายในวัดนั่นแหละอยู่ใกล้ๆวัดแล้วก็เสร็จแล้วก็อยู่ภายในวัดจนเฒ่าจนแก่ไปแต่ไม่เห็นธรรมะสึมสัต ตายไปด้วยโรคพิษสุราเรือรังด้วยกันยังนึกว่าเออมันเป็นกรรมอะไรกันอาตมามาอยู่วัดวรใน 48-49 ปีแล้วนะบเห็นหัวหน้าบาศกคนเดียวที่สมบูรณ์มากเวลานี้ก็ค่อนข้างดีนะเวลานี้ก็ค่อนข้างดีแต่ว่า คนหนึ่งนี่ถือว่าสมบูรณ์เป็นมรรคตายกจริงอยู่ในศีลในธรรมเรียบร้อยตายไปนานแล้วชื่อต่ออ่อนนามตะกูลอะไรไม่ทราบชื่อต่ออ่อนพวกใกล้เกลือได้กินเกลือแต่ไม่ใช่ใกล้ เ, นในในในใเกลือกินด่างอยู่กับศาสดาสงบในเราไม่สงบ กะกาก็เรานั่งในวัดถึงเวลานั่งสมาธิสมตมติเรายี่สิบนาทีเนี่ยคนบางคนก็ซุบซิบคุยกันไปคุยกันมาเอาอะไรถุงกรอบแกรบขยับเป็นนั้นขยับไปนี้นก็กวนควนเพื่องคนอื่นอยู่กูสามาจากบ้านนะ แต่เช้ามืดหรือต้องการฟังทมแต่ผลสุดท้ายทมก็ไม่ฟังแล้วก็ไปขอควรคนอื่นเขาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะแก่การติดเตียนติดเตียนประเด็นแรกนะครับทีนี้ในประเด็นที่สองเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละกับบําเพล หมายความมาละส่วนที่สืบเนื่องมาจากกิเลสทั้งหลายูยือไงว่าละชั่วนั่นแหละแต่ว่าสาวกก็ไม่ทําตามถ้าทําตามก็เป็นธรรมธายาตทีนี้เมื่อไม่ทําตามก็กลายเป็นอามิธธายะก็ไม่รับมรดกธรรม แต่ไปรับมรดกที่เป็นอมิตรข้อที่ศาสดาสอนให้กระทำบำเพ็ญในบังเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเรากระทำตามเราก็จะได้ผลประโยชน์จากการปฏิบัติตามเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ทำนั้นก็เป็นเหตุให้ถูกตีเตียนอีกประเด็นหนึ่งประเด็นต่อไปสาวกทั้งหลายมักมากืากอยปัจจัยยาบ ตักันข้ามกับศาสตาราเลยจะตเนี่ยคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นการเน้นถึงอาการที่สืบเนื่องมาว่าจากจิตที่ไม่ตั้งอยู่ในความสงัก็ทำให้จิตของบุคคลผู้นั้นแหละไม่ละสิ่งที่ควรละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ ก็แสดงว่าภายในจิตมันก็สะสมกิเลสเอาไว้เยอะพอสะสมกิเลสเอาไว้เยอะโลภะก็นาเป็นผู้มากๆในปจัจเจ sĩ พอมากมากในปจัจเจ sĩ ก็พยายามขวนขวายที่จะแสวงหาปจัจเจ sĩ มาปลนปรื้อตัวเองบำรุกบำรเรือตัวเอง ก็ทำให้ย่อหย่อนในการปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบจากกิเลสทีนี้พอย่อหย่อนกายมันไม่พร้อมใจมันไม่พร้อมก็เกิดเป็นนิวรณ์พอเกิดเป็นนิวรณ์จิ ต, ตก็เตลิดออกนอกทางแห่งความสงบเป็นกระบวนการเดียวกันนะฮะต่อเนื่องกันสามข้อเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน ที่นี้ข้อต่อไปท่านถามว่าท่านกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิสุผู้เทระเป็นผู้อ ว, วินยูชนติเตียนได้ด้วยเหตุสาม ส, สถานเหล่านี้ทำไมท่านต้องใช้คับมาวินยูชนเพราะเรื่องการติเตียนหรือการสันเสริญเนี่ย จะมาผ่าละชนแล้วนิ่ใยญไม่ได้หมาความอะไรที่เขาชอบเขาก็สรเสริญอะไรที่เขาไม่ชอบเขาก็ติเตียนการตัดสินวินิจฉัยว่าอะไรควรยกย่องอะไรควรติเตียนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นมากแต่เขาใช้ความรู้ถึกนึกคิดของเขาเป็นมากเป็นตัววัดเป็นเกณฑ์ในการกำหนด เราะฉะนั้นทุกข้อจึงต้องใช้คำว่าวินยูชนติเตียนวินยูชนสรรเสริญในกรณีที่ถูกวินยูชนติเตียนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ากับาศาสดาก็ไม่เอาอย่างกับธรรมะก็ไม่ปฏิบัติกับกิเลสก็ไม่ลดละก็เป็นเรื่องทั้งหมดเลย เพราะว่าการปฏิบัติในแนวสามทางนั้นเป็นปฏิบปทาของาศาสดาและพระเทราที่เป็นธรรมธายาธทางหลายครูบาอาจารย์รอบตัวเต็มไปหมุตรที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแต่เรากลับไม่ประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นเหตุให้วิญยาชนเขาตาหนิติดเดียนในสามกรณีนั้ น, น, น แต่การต่อไปก็รับสั่งเรื่อยมานะว่าภิกษุผู้ยังใหม่ยภิกษุผู้ปานกลางทั้งหมดคือภิกษุทุกประเภทนั่นแหละจะถูกติเตียนในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าเข้าใจว่าพระที่มาประชุมกันนั้นมีวัยที่แตกต่างกันเคยจะพูดว่าตุติเตียนจากขัวัวแถวตั้งหลายแถว ก็บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจตอนพระเจ้าก็แยกกลุ่มแล้ไม่ใช่พระเตราก็แยกกลุ่มมากลุ่มผู้เท่าก่อนแล้วก็กลุ่มปานกลางแล้วก็กลุ่มผู้ใหม่ถูกตําหนิในเรื่องเดียวกันถ้าหากว่าปฏิบัติด้วยกันเมื่อการยกย่องตำหนิเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีมาสของธรรมะกับวิได ตอนนี้เป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องของธรรมะแล้วข้อข้อที่สองนี่เป็นเรื่องของวินัยด้วยธรรมะด้วยก็ดูว่าวินัยว่ายังไงธรรมะว่าอย่างไงแล้วก็คนปฏิบัติอย่างไรเราการปฏิบัติเนี่ยไปจับไปจับกับวินยัยไปจับกับธรรมะถ้าขัดแย้งกับบทบัญญัติของพระวินยัย แล้วก็หลักธรรมที่ระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ก็ถือว่าเป็นการกระทาที่คูรแก่การตัดสิของวิญยูชนทั้งหลายแต่การต่อไปก็ปเิรัสแสดงว่าเรื่องที่ควรสรรเสริญทีนี้เรื่องที่ควรสรรเสริญถ้าหากว่า กลับไปคือพลิกกลับอีกด้านนะเกิดด้านด้านที่ว่ามาแล้วนี่ด้านที่เป็นเหตุตาําหนิมันเป็นด้านอากุศลเพราะด้าที่ควร ส, สรรเสริญก็คือด้านของกุศลรับสบั่อเอกราว่าเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่อย่างสงัดแล้วสาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่ปุมิอายุทั้งหลายเมื่อาศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดสาวกทั้งหลายในธรรมินทร น, นี้ศึกษาความสงัด ตามแล้วก็ละธรรมที่าศาสดาสอนให้ละละธรรมที่าศาสดาสอนให้ละอะไรก็ตามแหละที่พูดง่ายๆว่าอากุศลทั้งหลายเนี่ยพระศาสาศดาสอนให้ละเราก็ละความสงัดเนี่ยก็คือสงัดจากกิเลสอาการที่ปรากฏทางกายทางวาจาและก็ทางใจ แต่ว่าอาการกาย ก, กับวาจานั้นอาจจะเป็นเล่มมยาเสียแซงโอ้วดแข่งดีก็ได้ดังกล่าวเพราะมันจะต้องอ ส, สะท้อนมาจากใจแต่พอดีใจนี่คนนั้นเขารู้เองถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงตัวตั ว, ตวเองมันก็พูดยากแต่เขาซื่อสัตย์ซื่อตรงก็ต้องสารภาพความรู้สึกในะคิดทีาแท้จริงเขาออกมา จีนิประการที่สามเมื่อเขาละในสิ่งที่ศาสนาสอนในหลักการประพฤติปฏิบัติของเขาก็จะเข้าสู่วิถีของความสงัดเงียบกระจาการถูกรบกวนแล้วก็จะไม่ละโมบโลภมากในปัจจัยทั้งหลาย ตั้งหลักได้แนละ้วให้เราโมโปลงมากในปัจจัยทั้งหลๆแล้วก็ความประพฤติก็จะไม่ย่อหย่อนแต่ว่าปฏิบัติไปตามหลักของพระธรรมวินัยเมื่อประพฤติไม่ย่อหย่อนเนี่ยเราจะลืมว่าตัวประพฤติไม่ย่อหย่อนมันมีสิ่งที่เราประพฤติ แล้วก็เจตนาในการประพฤติแล้วก็หลักธรรมค้ำยันในการประพฤติที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือสติธรรมญาความเพียรความอดทนความตั้งใจหนักแน่นมั่นคงก่อควบคุมทิศทา ง, งการประพฤติปฏิบัติไปได้นิวรณ์มันก็ย่อนกําลังลงไปเมื่อ น, นิวรณ์ย่อนกําลังลงไปจิตใจค่อนท้านก็จะ เข้าสู่ความสงบตามศาสดาอย่างน้อยก็ระดับนิวรณก็สงบระดับฌานแหละก็เป็นฐานเบือ้องต้นเป็นการแสดงธรรมะที่ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังความสามารถของผู้ฟังในขณะนั้นๆที่จะประพฤติปฏิบัติได้ แล้วทีนี้พวกพริกษุทั้งหลายเอาพูดง่ายๆว่าวทุกวัยกันแล้วกันเนีคือคือพระเทราบแบ่งเป็นสามวัยทุกทีก็ะดรับการยกย่องสรรเสริญจากบินยูชนว่าพระเหล่านี้เมื่อาศาสดาอยู่ด้วยความสงบสงบัดท่านก็อยู่ด้วยความสงบสงบัด ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาของศาสดาเมื่อศาสดาสอนอะไรให้ละศาสดาละอะไรมาแล้วก็สอนให้ละอะไรท่านก็ละในสิ่งเหล่านั้นทำให้ท่านเป็นคนที่ไม่มากมากในปัจจัยสีท่ทั้งหลายมีความกล้าหาญบากบัน่นมุ่งมัน่น ไปสู่ผลสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติสามารถข่มนิวรณ์ทั้งห้าประการไว้ได้ก็นำจิตเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นหลักเป็นหลักที่เราจะเห็นว่าก็คือกระแสกุศลกับอกุศลอกุศลเป็นเหตุ นำไปสู่การเป็นอา m i ส h ยา a t กุศลนำไปสู่ความเป็นธรรมทานยาตัตอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นพระเถระเมื่อแสดงระดับระดับที่สองไนะระดับทีสองนะจากนั้นก็แสดงในส่วนที่เรียกว่าเป็นทาง เป็นทางกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยทั้งกล่าวว่าผูมิยุทั้งหลายธรรมดาทำดังกล่าวนั้นโลภะและโทสะเป็นธรรมหลามกแต่ว่ามัชชิมาเป็นไปเพื่อล่าโลภะแล้วก็ล่าโทสะมีอยู่โลภะเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามหาตัว แกเพิ่มขึ้นเท่าไรเนี่ยปรารถนายิ่งชั่วรายเท่านั้นพร้อมที่จะใช้ใช้สารพัดพิษทีเดียวละ่ะนึกถึงเล่กลโกงในยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการทำศึกสงครามกันเนี่ยในเรื่องที่น่ากลัวไหแต่ไมหนุ่มๆก่อนบวชนะนะก่อนบวช ก็ได้อ่านเรื่องตำนานในลักษณะเนี่ยเยอะมากตำงานงานจารกรรมงานจรชนงานสืบสวนสอบสวนตลอดถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์แล้วก็ศึกษาวิเคราะห์ถึงวิธีการของคนในด้านนั้นแต่ว่าตอนนั้นเราไม่มีพื้นฐานทางศาสนาเราก็มองที่คน เราม่ได้มองที่ทำแต่เวลานี้พอเอามาอา่านอีกทีหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นเรามองที่ทำคนเป็นตัวเชิดของธรรมะที่เป็นกุศลนะกุะศลพฤติกรรมของคนในประวัติศาสตร์ก็ดีในวรรณคดีก็ดีในอะไรก็ดีในสังคมก็ดีในปัจจุบันก็ดีดขณะเนี้มันก็มีทั้งบวกทั้งลบ ว่าอะไรเป็นเครื่องยึดกุมจิตใจของเขาไว้ถ้ากุศลอยึดยึดกุมจิตใจเขาไว้การดาเนินชีวิตเขาก็จะไปได้ดีในกรณีเนี่ยพระเถระแสดงสองข้อก่อนคือโลภะกับโทสะอย่าลืมมาโลภะกับโทสะนี่โลภะมาจากกินดีโทสะมาจากกินได ที่นี่โลภะนี่เป็นตัวเหตุให้เกิดความยิน ด, ดีโทสะนี่เป็นตัวยินร้ายแล้วเขาก็เป็นปฏิปักษ์กันแล้วก็ทำลายซึ่งกันและกันปนัญหาสำคัญว่าฝ่ายใดมีพลังมากกว่าละ่ะฝ่ายนั้นก็จะชนะได้ฝ่ายใดมีพลังน้อยกว่า ไปนั้นก็จะพ่ายแพ้ไปเพราะฉะนัในจิตใจของเรานี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าชักขยเยกันมาตลอดระหว่างกิเลสกับธรรมะบางทีกิเลสก็ชนะส่วนมากชนะนะฮะบางทีกิเลสก็แพ้มันมีการยุยงจากข้างนอกเป็นตัวเสริม ผู้ชอบยุเอรมตำให้รั่วชอบเห็นความพิบพัติพินาศเดือดร้อนของคนทั้งหลายเนี่ยความคิดในแต่ละเรื่องของคนจึงแตกต่างกันมองปัญหาไม่เหมือนกันเพราะเลยเพราะเราใช้เกณฑ์ของธรรมะเกณฑ์ของธรรมะนั้นมันจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องปล่อยให้มนุษย์รับผิดชอบในกรรมของตนเอง โดยการเขา อ, อุเบกขานี่คือเราไม่ต้องอาศัยความชั่วของเขาเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของเราแต่ปล่อยให้เขาอาศัยความชั่วของเขาเป็นทางดำเนินชีวิตของเขาแม้แต่เป็นวิธีการทางโรงทางศาลอะไรต่างๆก็ตามคือมันคิดมุมเดียว มันคิดมุมของการใช้อำนาจการชี้ขาดแต่ว่าคนที่เขียนกฎหมายขึ้นมามันก็ไม่ได้มีคุณธรรมสูงส่งอะไรแต่ว่ามันถูกสร้างนิสัยซึมซับสิ่งเหล่านั้นเอาไว้คิดว่าเนี้ยคือหนทางที่ฉันจะแสดงความยิ่งใหญ่ของฉัน เราลืมไปว่าทั้งคนที่เราแสดงอำนาจเนี่ยกับเราผู้แสดงอำนาจเนี่ยไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรเล็กกว่าโลงหมดเลยเพราะอะไรที่ไม่ต้องไปจองเวรจองกรรมกันไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างภัยสร้างอันตรายได้เราไม่ยุบายวิธีนะี่ยมนุษย์เนี่ยมันเราสามารถสื่อสารกันได้พูดจากันได้ ปัญหาว่าใครควรจะพูดกับใครใครควรจะพูดกับใครแต่ว่าคนคนหนึ่งจะต้องมีคนพูดได้อย่างยกตัวอย่างในกรณีที่พระเจ้าเสด็จไปประทับไปนิพพานที่เมืองกุสินาราเนี่ยสิ่งที่ทรงรู้ว่าจะเกิดขึ้นก็คือการแย่งพระบรมสารีริกธาน ในเมืองใหญ่ๆทั้งหลายไม่มีผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งเลยที่จะเป็นที่ยอมรับนับถือของกษัตริย์ทั้งหลายที่มาขอส่วนแบ่งพระทาตแต่ว่าที่กุสินารามีมีโทนพรามซึ่งเป็นอาจารย์กษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นกรทรงรู้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งโทนพรามก็ต้องออกมาต้องแสดงตัวมา แล้วก็วางตัวเป็นเป็นหลักให้แกกษัตริย์ทั้งหลายซึ่งพวกนี้มันมีพื้นฐานความเคารพครูอยู่แล้วแล้วครูที่ขาดว่ายังไงพวกนี้ก็ยอมในสุดเราก็ไม่ต้องรบกันเรื่องแยกประโยคภาหรฮิกดูกะธาแต่ามาอย่งงางนั้นก็เสียชื่อแย่เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสังคมมันมีทางออกของมันแต่ไม่ใช่ใช้อดยาสังคมที่อยู่ด้วยอดยานี่ไม่สงบหรอก มันจองเวรจองกรรมกันคือการใช้วิธีการตัดสินโดยวิธีการนั้นๆเนี่ย น, นะฮะไม่มีใครรู้สึกว่ายุติธรรมทั้งร้อยหลอกได้สักครึ่งสักกึ่งก็บุญแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งก็จะรู้สึกสะใจที่ฝ่ายซึ่งตนไม่ชอบตสินลงโทษไปแต่เราไม่นึกว่าคนคนนี้ยมีคนนี้เขาพอใจคนนี้เขารักทําไง เราจะทำยังไงกับนคนเาน่าแล้ววิธีการในในเนี่ยในอะไรละ่ะในอญญาวีวิทยาทันทาวิทยาอะไรต่ออะไรมันเป็นความคิดโบราณเกินไปไม่ได้หันหน้าเขาหาธรรมะถ้าเราธรรมะมาใชา้มาคิดแล้วก็มองทุกคนเนี่ยเป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าตามสมควรแก่ฐานะนั้นนั้นแล้วทำยังไงจะหาประโยชน์จากเขาได้มันไม่จะขอให้ค่าได้ลงโทษเท่านั้นฉันก็สะใจคอนฉันแล้วฉันได้แก้แค้นและเห็นหลังศัตรูแล้วคิดอ่างนี้เวรภัยมันไม่สงบหรอกทะฟางเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีวะทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ ที่สุนีขอความเจริญงอกงามไพรู์ในธรรมจึมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี